น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่451เรื่องผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และของพัสทานตอนที่สี่นะครับเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวถึงกฎของพระเจ้าในการที่โปรงจะ กฎของการหวันและการเกี่ยวซึ่งเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงกฎนี้ได้ท่านอัครุปเปโลได้กล่าวว่าเราจะหลอกพระเจ้าเล่นไม่ได้ทํากลีกในที่นี้แปลว่าอย่าทําเป็นลิงหลอกเจ้าหรืออย่าทําเล่นๆกับพระเจ้าหรืออย่าทําเป็นมาหลอกล่อพระเจ้าคือ หมายความว่าเราไม่สามารถดูหมิ่นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าตั้งไว้พี่น้องครับในเช้าวันนี้ตอนที่สี่ของเราให้เรามาพิจารณาให้ลึกซึ้งมากขึ้นอีกว่าคาร์ดิปาโลนั้นท่านหมายความว่าอย่างไงเมื่อท่านพูดถึงกฎของการหวานและการเกี่ยวท่านอาคาทูดเปาโลเปรียบอุคคลิกภาพของเราเหมือนกับทุ่งนา ต้องทําการหวานทุกวันทุกวันทุกวันเรื่อยๆไปทุกนานี้เป็นทุกนาที่แบ่งแยกฝากหนึ่งนั้นเป็นฝากที่เรียกว่าเนื้อหนังก็คือตัวเก่าของเราอัตตาของเราหรือธรรมชาติบาปที่เรามีอยู่ซึ่งแท้จริงแล้วตามหลักจะต้องตายไปทุกวันทุกวันทุกวันต้องหมดลมหายใจไปเรื่อยๆความจริงจะต้องอ่อนแอ และก็หายไปในที่สุดนี่คือภาคของเนื้อหนังส่วนอีกภาคหนึ่งเรียกว่าภาคของวิญญาณหรือภาคของชีวิตใหม่ภาคของวิญญาณหรือภาคของชีวิตใหม่นั้นก็คือชีวิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือที่เราบอกเราเรียกอีกในหนึ่งว่าเป็นชีวิตที่อยู่ภายใต้ พระคุณของพระเจ้าถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราหว่านในย่านเนื้อหนังของตนแต่คริสเตียนอีกคนหนึ่งนั้นหวานในญ่านของพระวิญญาณทั้งอัคาตูดเปาโลได้กล่าวว่าผลของการเก็บเกี่ยวนั้นก็จะต่างกันเพราะในที่สุดแล้วต่างฝ่ายต่างเก็บเกี่ยวคุณก็เก็บเกี่ยวผลของการหวานของคุณ ผมก็เก็บเกี่ยวผลของการหวานของผมแต่ละคนจะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่จนหว่างไว้เพราะฉะนั้นถามว่าอะไรคือการหวานอะไรคือการเกี่ยวเมื่อพูดถึงการหวานนั้นพี่น้องที่รักครับครบทูตเตาโลนั้นกําลังหมายถึงรูปแบบทั้งหมดของชีวิตรูปแบบทั้งหมดของความคิด รูปแบบทั้งหมดของอุปนิสัยใจคอของเรารูปแบบทั้งหมดของวิธีการดาเนินชีวิตรูปแบบทั้งหมดของจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในชีวิตและรูปแบบทั้งหมดของการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆต่อสิ่งเร้าต่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตของเราพูดง่ายๆก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นตัวของเรานั้นเราสามารถหวานได้ทั้งสิ้น กลุ่ต่างๆที่เราเขหาสมาคมอยู่กลุ่มในไลน์กลุ่มในเฟซกลุ่มในอินสตาแกรมหรือกลุ่มต่างๆในอินเทอร์เน็ตที่เราทําอยู่มิตรภาพที่เราสร้างขึ้นมาทั้งกับคนที่ไม่เชื่อกับคนที่เชื่อสิ่งที่เราอ่านทุกวันหนังที่เราดูทุกวันโทรทัศน์ข่าวสาร อานอดิเรกที่เราทําในยามว่างหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ดึงความสนใจของเราดึงพลังงานของเราหรือควบคุมครอบงำความคิดจิตใจของเราเราจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดครับทั้งในแนววิถีทั่วไปในชีวิตของเราหรืออะไรที่เป็นของเป็ดตะเล็เล็กน้อยสิ่งละอันพลันน้อย ท, ทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้เราเลือกที่จะทําหรือไม่ทา เลือกที่จะหวานหรือไม่หวานเพราะโดยสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่เราตัดสินใจเราทําเราคิดเราพูดก็จะทับเท่ากับว่าเรากําลังหวานครับหวานอยู่ตลอดเวลาครับหวานตลอดเวลาทุกวินาทีที่ผ่านไปเราก็หวานตลอดเวลาครับอาคาทูดเปาโลท่านบอกว่าใครหวานอะไรคนนั้นก็จะหวานและเก็บเกี่ยวเช่งนั้น ใครหวานอะไรไว้ที่ไหนก็จะต้องตามไปเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นพี่น้องครับทักสาวกหรืออัครทูตนะครับได้แสดงให้เราเห็นว่าเราต้องวกกลับมาที่แก่นของชีวิตวิถีของคอริสเตียนเราซึ่งเป็นวิถีของผู้เชื่อ วิถีของคนที่กำเกิดใหม่วิถีของลูกของพระเจ้าท่านอาคาทูตเปาโลได้เปรียบเทียบหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเราเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับชีวิตของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นท่านเปรียบเทียบชีวิตของเราเหมือนกับการสวมเสื้อผ้าครับเราจะต้องเอาของเก่านั้นถอดทิ้งไปเราจะต้องสวมชีวิตใหม่เข้ามาเหมือนกับเสื้อผ้าครับ ภาพพดต่อไปก็คือเรื่องของการวิ่งแข่งเราจะต้องวิ่งหนีจากบางสิ่งบางอย่างก็คือวิ่งหนีจากการล่อลวงวิ่งหนีจากกลับดักวิ่งหนีจากเสียงต่างที่มารซาตานมันขุดหลุมพรางไว้ดักเราต้องวิ่งหนีครับในขณะเดียวกันต้องวิ่งตามวิ่งตามใครครับวิ่งตามบรรพชนผู้เชื่อวิ่งจน สุดจิตสุดใจเพื่อไปถึงเป้าหมายวิ่งเหมือนนักแข่งวิ่งโดยที่ลืมความเหน็ดเหนื่อยและวิ่งโดยที่ละทิ้งสิ่งที่ถ่วงทุกอย่างพี่น้องครับบางครั้งอคาดูเปาโรก็พูดถึงเรื่องของการใช้หนี้เรานั้นเป็นหนี้ต่อพระวิญญาณครับเราไม่ได้ติดหนี้เนื้อหนังอีกแล้ว เพราะเปรียสูได้ส่งใช้นี่ให้กับเราเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่รักไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่มีภาค พ, พดนไหนเลยที่เน้นการเจริญเติบโตมากเท่ากับที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้เพราะอะไรครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของคริสเตียนผู้เชื่อเรามักไม่เน้นเรื่องความบริสุทธิ์ไม่เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ไม่เน้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณงามความดีมากเท่าที่ควรที่ผ่านมานั้นเราขาดตบพร่องในเรื่องนี้เราไม่เน้นชีวิตหรือเราเน้นชีวิตไม่พอหรือเราเน้นชีวิตน้อยกว่าเน้นอย่างอื่นพแท้จริงแล้วชีวิตที่ถูกต้องชีวิตที่อยู่ในจริยธรรมที่ดีชีวิตที่เน้นเรื่องความบริสุทธิ์นะครับ เราจะสามารถหวังผลการเก็บเกี่ยวได้และผลตรงนี้ก็จะแทรกซึมครอบคุมนะครับและยื่นออกไปในเรื่องของการประกาศการสร้างสาวกการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะกล่าวในวันนี้ว่าชีวิตของเรานั้นคือการลงทุนครับเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียว ในแต่ละวาระในแต่ละวินาทีของชีวิตของเราเพราะว่าไม่อาจหวนกลับมาได้ครับสําหรับวินาทีชีวิตสําหรับวาระที่ผ่านไปแล้วเหมือนกับน้ําครับน้ําที่มันไหลออกไปครับจากสูงลงไปต่ํามันไม่มีทางที่หวนกลับมาเหมือนกับวันเวลาที่ผ่านไปเราลงทุนอะไรไว้นะครับวันเวลานั้นที่ผ่านไปนั้นเราก็ไม่อาจเรียกคืนมาได้ เพราะฉะนั้นให้เราที่จะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราหว่านไปในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวผลที่ดีถ้าเราหว่านในย่านพวิญญาณเราเก็บเกี่ยวผลอะไรครับท่านอาคาลุปเปาโลได้บอกว่าถ้าใครก็ตามที่หว่านในย่านเนื้อหนังเขาก็เก็บเกี่ยวความเปืยเน่าครับคําว่าเปืยเน่าที่เป็นคําที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยง มันเป็นเรื่องของการเปื่อยกันเน่ากันเหม็นเสื่อมซ้ำซากที่ลายไปแล้วนะครับไม่เพียงแต่ลักษณะของความเสื่อมซ้ำในชีวิตนี้เท่านั้นยังไปถึงความหายันะในอนาคตด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหว่านในย่างพระวิญญาณ น, นั้นตรงข้ามเพราะว่าเราจะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันชีวิตนิรันตินี้เริ่มต้นตั้งแต่เราบาังเกิดใหม่แล้วนะครับ เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าเป็นชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้ซึ่งเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ของเราและเราจะไปถึงความบริบูรณ์ของความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์เป็นแน่แท้พี่น้องครับมันอยู่เกินจินตนาการเพราะว่าเรายังไปไม่ถึง แต่เราก็ต้องรอคอยได้มีความหวังครับเพราะฉะนั้นชีวิตที่หวานในย่านของพระวิญญาณมีสิ่งที่ดีรอเราอยู่เบื้องหน้าซึ่งเรายังไม่เคยสัมผัสในแต่ละวาระที่เราก้าวเดินแล ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นไปดังนั้นไม่เพียงครอบคลุมแค่คุณลักษณะทางจริยธรรมของเราในโลกนี้แต่ครับแต่มันกินไปถึงหรือมันรวมไปถึงความเป็นไปได้ ปลายของเราในอนาคตด้วยก็คือชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นผมอยากจะเน้นกับพี่น้องนะครับว่าเราหว่านอะไรเราก็ได้สิ่งนั้นนี่คือกฎของพระเจ้าอาเมน